น้ำค้างมันหายมันหมด น, นะครับโอน่ต่อไปมันต้องมีคนไปไล่นกให้แล้วอะ <c oughs> มันมาล้องแข่งบวงพ่ออยู่นี่วะ่ะอันนี้เขาเรียกนกกลางภาษาภาคกลางว่านกกรลางภาษาทางอีสานว่านกโถนกโถ่ถหงอก มันจะหัวมันสีขาวขาวมันหกหัวงอกผมงอกตัวมันสีน้ำตาลน้ำตาลแต่ร้องเสียงดังอยู่เป็นหมูนะ่นะนกเนี่ยอย่างน้อยไม่ต่ากว่าสี่ต้องหกตัวถ้ามากกว่านั้นก็ประมาณสักสิถ้ามากแล้วก็แตกกันอีกเหมือนกันนะแตกแยกสัมมักีกันหาอยู่หากินไปคนละทางแต่เป็นอยู่เป็นกลุ่มนกเนี่ยแต่ฉลาดนะฉลาด คำว่าฉลาดคืออะไรเวลามันกินเป็นหมูมันไปเจอคนขึ้นมาตัวไหนเจอคนตัวนั้นจะร้องขึ้นมาทันทีพอร้องจะบินเลยว่างั้นแหละหลบไปอยู่ให้ห่างพวกนกพวกอะไรทั้งหลายแหลแต่คือหมดนี่แหละนกกระรางในะอยู่ในป่านะมันจะมีนกสีสดำก็เหลือนกนกกระแซลละ แล้วก็กะรอกแล้วก็บพวกนกทั้งหลายมันกลุ่มของมันนะหากินเป็นฝูงอยู่ในป่าแต่ถ้าตัวไหนเห็นค น, นมันจะร้องทันทีกรอกจะ น, นกะ น, นอนกกเงียบในโ่งงานแต่ไม่กระดุกกระดิดกเพราะกลัวกลัวคนจะเห็นมันนะพวกนกนี่ก็แต่คือไปคนละทางถ้าปลอดภัยขึ้นมาแล้วออตัวเนึ่งก็ร้องจอกแร่จอกแย่กแกกขึ้นมา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 อ่อนแอกว่าพวกเหี่ยวถ้าเห็นพวกเหี่ยวพวกที่จะร้องบอกกันอันตรายมานเอาไว้พวกเราลบนะระวังฮต่างตัวกับตางเงียบ ต, ตัวเล็กตัวน้อยไว้กั้นเนี่ยสัตว์ป่าถ้าเราอยู่ในป่าเราจะเห็นธรรมชาติสรุปแล้วก็คือต้องการความพร้อมเพียงสามคีกันเหมือนกันมันใช้เสียงให้เกิดประโยชน์ไว้กันดักให้ใช้เสียงให้เกิดประโยชน์น แต่โดยมากคนเราเนี่ยถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์นะนะถ้าใช้ให้เกิดโทษมันก็เกิดโทษเสียงเนี่ยปากเนี่ยเหมือนกับนกน่มันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอาศัยใ้เสียงของมันเสียงอะไรเสียงเป็นพิษเป็นภัยมันก็บอกกันมันร้องจิงเจี๊ยบจ๊กถ้าร้องอย่างนั้นไปว่าเป็นพิษภัยนแตกคือเป็นคนละทางมันรู้กันเะ เอพอมันอยู่ด้วยกันแต่ทำมันร้องธรรมาดาเลยเกสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไปมันเกิดบินต่างตัวต่างบินต่างหาอยู่หากินกันะแต่ถ้าร้องเป็นพิษภัยมันจะร้องอีกแบบหนึ่งอร้องขึ้นมาแบบถ้าเป็นเราก็ว่าเสียงดนตรีเสียงกล่าวอย่างนั้นแหะเสียงกล่าวบอกว่าแปลว่าเสียงในเสียงอันตรายลักษณะอย่างนั้นเหมือนก็เมือนก็บอดบ่ออย่างนั้นแ่ะ ถ้าหวออันตรายนะเขาจะปีบให้เสียงอีกแบบหนึ่งวะงะ้ถ้าหวอธรรมดาก็อีกอย่างหวขอทางอีกแบบหนึ่งหวอันตรายนะเขาอีกแบบหนึ่งนกก็เหมือนกันนกเนี่ยอันตรายมันก็ร้องอีกแบบหนึ่งถ้านกธรรมดาวปมันร้องอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยการของมนุษย์ก็เหมือนกันนะเ น, นี่ยปากเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่ง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 สัตสัตโลกย่อมเป็นไปตามกลัมที่ตนได้กระทำไว้การกระทากลัมทำได้สามทางกายจะกรรมวิจีกลัมมโนกลัมถ้าเรากระทากลัมสิ่งไหนไว่ไม่ดีกลัมนั้นจิกลัมนั้นจะตามสนองอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพระพุทธการท่านได้พูดเกี่ยวกับ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 คงจะไปคงจะมีถ้ำหรือเป็นที่พักของท่านแต่เป็นภูเขาไม่ชันมากนะเป็นที่เขาลาดลาดาแต่สมัยก่อนก็คงจะเป็นป่าดงพงภัยเป็นต้นไม้ใหญ่ก็มัง้งสมัยนั้นเหมือนนพระโมคคลาท่านไปพักที่เขาคิ้จกูดกับพระลักษณะ พระลักษณะเขาคงจะเป็นสหธรรมิกหรือว่าเป็นลูกศรริกษย์ของท่านอะพระโมกคาาไปที่ไหนโดยมากจะได้ยินชื่อพระลักษณะตามท่านไปตลอดแต่นนี้พระโมกคาาท่านพักอยู่ที่เขาขีศกูด ต, ตอนเช้าท่านจะลงมาบินทบาทที่กรุงราชคือท่านเดินลงมาตีนเขาแต่ไม่รู้ว่า ม, มุมไหนเหนนเถอะตีนเขามันยาวด้วยตีนเขาคินสกูด วันนั้นพวกเราอยากจะรู้นั่งภาวนาดูก็ได้นะเลงเดงดูเปลตตอนนั้นมันยังอยู่หรือเปล่านะพระโมคคลาลงมาท่านเห็นเปรตท่านก็แย้ยเย้ยมอาการแต่โอ้ทําไมเปลตตัวนี้ทําไมจึงใช้กลำ่ำหน้าทุเลตทุลังขนาดนี้นะเนี่ยท่านเห็นนะโอ้ยิ้มกล่ำของสรรปสัตว์เนาะเหมือนแต่ในพระลักษณะที่เดินตามหลังท่านมอง เห็นพระโมกขาลายิ้มพระลักษณะที่เดินตามหลังแล้วก็ถามท่านพระอาจารย์ครับท่านพระอาจารย์เห็นมีอะไรถึงจึงได้ยิ้มเขย่าเขาว่าการยิ้มของพระอารหันเนี่ยมันต้องมีเหตุซะก่อนออพระลักษณะกระถามพระอาจารย์ยิ้มแย้มเพราะเหตุอะไรหนอกระผมพระโมกขาลาก็บอกว่าเมื่อไปถึงสํานัก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 ถามพระโมคคลาขึ้นว่าท่านโมคคลาครับที่ท่านเดินบินธบาตลงมาจากเขาคิจกูดมาถึงตีนเขาน่ะท่านได้ยิ้มแย้มกับผมก็ได้ถามท่านว่าท่านยิ้มแ ย, ย้มเพราะพะเหตุอะไรครับท่านอาจารย์โมคคัลลาท่านก็ได้บอกว่าเมื่อไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าอยู่ใน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 แต่ยังมีสาวกองเรายังได้เป็นเหตุเห็นเป็นสักขีพยานเราอีกหนอะแต่เราจะพูดถ้าไม่มีสักขีพยานเราจะพูดให้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครเป็นสักขีพยานคนทั้งหลายก็จะไม่เชื่อแล้วก็จะเป็นบาปกล้าสำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังเพราะเขาไม่เพราะเขาไม่เชื่อนั้นเพราะนั้นบัตรนิโมคลาได้เห็นแล้วเป็นสกขีพยาน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 คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่แต่มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวนะในพัตตะกรบที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์กะกุจันโธกุกุสันโธโกนะคมโนกัจโปโคตโมอริยะเมตยโย อ, อริยะเมตโยยังยไม่มาตร์นะอันนี้หลักศาสานาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโคตโมเป็นองค์ที่สี่บางนนะ <c oughs> บั้นกัจโผลเป็นองค์ที่สาม พระแต่พระพระกัจจโพเนี่ยพระพุทธเจ้ากัสโปและกัจปะเนี่ยอายุยืนสองหมื่นปีเป็นอายุไขแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอายุร้อยปีเป็นอายุไขแต่พระอริยเมตตาโยภาษีอานเนี่ยอายุแปดหมืนปีเป็นอายุไขอายุของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันนะบุญบารมีไม่เหมือนกันอแต่พวกเราอยากจะทราบว่าเอา้าทําไมคน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 แล้ก็เดินทุโรงมาเหมือนกันมาเห็นพระสององค์อยู่ด้วยก tamam. ันอยู่ในป่าพอเห็นแล้วก็อืตรงนี้น่าอยู่ว่ะแต่นี่ก็พระสององค์เห็นพระพระธรรมก็ถึกเข้ามาโอ้ท่านทราบว่าท่านเป็นคงแกเรียนผู้ท่านท่านได้รับการศึกษามาอย่างดีรู้ประยัดมากบอกเก่า ทำวินยัยหรือว่าหลักธรรมให้ผมพผมฟังโดยสิ้พระอานั้นก็นแสดงธรรมให้ฟังสององค์โอ้ดีเราได้ยินเราได้ทำมักระถึก่กละเทนี่ได้พระนักเทศมาแล้ว เ, เราจะถามอะไรท่านก็นตอบได้จากนั้นก็นพอใจพาปิบิณฑบาตในหมู่บ้านพาไปรู้จักญาติโยมในถิ่นนั่นนะในละแวกนั้นแต่พระองค์นี้เกิดความโลภขึ้นมาเนี่ ถ้าเราไล่ไล่พระสององค์นี่หนีออกจากวัดซะเราอยู่ที่นี่คงจะสบายดีวะ่ะเพราะมันที่อยู่สบายแล้วก็ญาติโยมก็นับถือเท่มใสได้ดอีอาหารการบริโภคก็ไม่มีปัญหาถ้าเราพยายามไล่พระสององค์นี่หนีก็คงจะดีเนะนี่ยนี่แหละกิเลสมันเกิดขึ้นมาได้นะความโลภลงไปจากนั้นก็วางแผนนะจ๊ะเนี่ย <c oughs> วางแผนให้พระโสองทะเลาะกันยุแยงแทงให้รั่วงั้นเถะให้พระโสองทะเลาะกันการเข้าไปหาเข้าไปหาอาจารย์ก่อนอาจารย์พระที่อายุพรรษามากหกสิบพรรษาท่านอาจารย์ครับแต่ผมอยากจะพูดอะไรให้ท่านอาจารย์ฟังแต่ผมไม่พูดหรอกถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์ไม่สบายใจทำให้ท่านอาจารย์ทุกใจ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 ผมอดสายอยู่ไปอย่างนั้นะ่ะผมเบื่อเหลือเกินผมไม่อยากจะอยู่แต่ในใจของผมผมอยากจะหนีจนพอแรงแต่่ผมก็อยู่ไปอย่างนั้นละ่ะสรุปแล้วก็คือพระองค์นั้นไม่ได้เรื่องอนี่แหละองค์นั้นพูดให้ผมฟังอย่างนี้แหละท่านอาจารย์นี่เป็นความจริงนะเนี่ยท่านอาจารย์เป็นยังไงโอ้องค์ที่เป็นเทระเนี่ยครับท่านก็อยู่แบบสงบมาก่อนท่านก็ไม่เคยคิดมาก่อนท่านก็เป็น ถือว่าเป็นพระพระธรรมาถือคือท่านก็ถือว่าเป็นพระคงจะไม่โกหกถึงขนาดนี้นะแปลว่าใจของท่านแตกสะบั้นทันทีเลยเพางั้นนะเหมือนกับหมอ้อหมอ้หมอมอดินแตกอย่างนั้นนะปุ้งเร็วงั้นโทษเราก็ไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนทำไมพระอนุเทระที่อยู่ด้วยการมาตั้งห้าสิบกปีทำไมพูดขึ้นมาอย่างนี้ได้ แสดงว่าไม่ไว้ใจเราเลยเนยะโอ้ทำไมท่านถึงพูดอย่างนี้เราไม่มีเจตนาอย่างนั้นแม้แต่น่อยเดียวเลยทำไมท่านถึงคิดอย่างนี้ได้แต่นี้พระวนนี้กับไปหาพระอนุเทระอีกนะ่ท่านอนุ เ, นเทระเนี่ยพระเทระเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยมาอยู่กับท่านเนี่ยท่านหนักใจมากทำอะไรกับปั้มปมเปิร์บไม่ถูกกับกาลเทศะเลยน่าอดสูดูด้เนีย พูดอย่างนั้นะ่ะขึ้นมาใครเข้ามาไปแย่งองนั้นอีกองนั้นก็เอา้าวทำไมพระเทรเรนยอยู่ด้วยกันมาทั้งนมนานมีอะไรก็น่าจะบอกทําไมไปบอกให้พะระทำมกรถึกฟังแสดงว่าท่านอาจารย์นย่ไว้ใจพะระทำมกรถึกมากกว่าเราได้ไหมเห็นพระมาอยู่เพียงไม่กี่วันแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจองนั้นมากกว่าเราอท่านอาจารย์คิดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ได้ยังไง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 ทำไมพูดอย่างนั้นได้ฮะแตเดซีก็พระเนี่ยใช่ผมก็ท่านอาจารย์ก็พูดให้ผมเหมือนกันนะออผลที่สุดก็เลยสององค์เกือบจะว่าไม่ได้ฉันอาหารในศาลาเลยวันนั้นว่างั้นเถอะ เ, เตรียมบัวที่ขารไปคนละทิศคนละทางเลยเหมือนนเอะคนหนึ่งออกทิศตะวันออกตกองค์งหนึ่งออกทิศตะวันออกเหมือนกันเอเอไปว่าจะไม่เผาผีจี่กระดูกกันแล้วไอ้เหมือนสององค์เนะี่ย พระธรรมกระถึกองค์นั้นก็เออประสบความสําเร็จออกไปอาจารย์พระเทระสององค์ออกไปแล้วเราก็อยู่วัดอะไรต้นี่ยนะฮะจะได้กับบินทบาทฉันไปสององค์นั่นนะ่ะตั้งแต่ออกไปเดินปินทบตทเดินออกไปคนละทิศละทางนะได้ร้อยปีเออได้ร้อยปีมันอายุถึงสอง0 0ื่ปีเลยได้ร้อยปีมันก็ น, นิดเดียวใช่ไหมเดินไปคนละทิศละทางได้ร้อยปี ในร้อยปีนั่นนะ่ะไม่เคยคิดสนสาทยายมนเลยเมืนกเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ได้ท่องสวดมนประเด็นสวดพระปฏิโมกมาเลยมีตรคิดในใจทำไมพระเทระอยู่เราก็ปฏิบัติต่อพระเถระอย่างดีทำไมพระเทราจึงไปไว้ใจพระธรรมกรถุกไปพูดให้ฟังทำไมจึงดูถูกเราถึงขนาดนี้เราก็ไม่มีเจตนาอย่างนะั้นทำไมอาจารย์จึงพูดให้เราอย่างนี้ ทั้งฝ่ายที่เป็นอาจารย์หกสิบพรรษาเนี่ยเขาเอ๊ะทำไมลูกน้องพระที่อยู่กับเราเหมือนกับวัยวะของเราแต่ททำไมไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเราเลยทำไมไปไว้ใจพระธรรมกัทถอแล้วก็พระธรรมกัทึกมาพูดให้เราเราจึงเลยรู้ว่าในจิตใจของพระองค์นั้นเป็นยังไงทำไมทำอย่างนั้นได้องค์นี้ก็คิดอย่างนี้อีกเหมือนกัน ไม่ได้สาธยายมนไม่ได้ท่องสวดมนไม่ได้ทําอะไรเลยว่างั้นเถอในใจเนี่ยคิดแต่อย่างเดีย ว, วงนันถึงร้อยปีฮวันหนึ่งได้มาเจอกันโดยบังเอิญว่างั้นเถอคงจะเป็นกิจที่มนอะไรก็ไม่รู้หรือสังประชุมอะไรก็ไม่รู้มาประชุมเดินมาพอองค์นี้ไปเห็นองค์ที่เป็นอาจารย์เก่าองค์นี้ก็เห็นที่เป็นลูกน้องเก่าก็จําได้ พอเห็นกันแล้วก็เลยองค์ที่เป็นลูกน้องเนี่ย <c oughs> อายุห้าสิบเก้าพรรษาเนี่ยแต่ได้มาก็ป่าเข้าไปร้อยร้อยห้าสิบเก้าปีอะไรได้ไง <c oughs> พ่อไปเห็ น, นกระด้างกระเดืองอีกเหมือนกันเอาอย่างไรก็เถอะเราก็อยู่กับท่านมานานแล้วเนี่ยเ อ, อเราอดใจเข้าไปหาท่านเพียงแค่นี้ไปได้หลือเนี่ยบังคับตัดใจของตัวเองเมว่างั้นเถอะพอ่องเข้าไปกับน้ําตากระพรูออกมาจากตาลอลไวงั้นเถอะ เออตั้งร้องไห้ด้วยว่างั้นเถอะเออพวกนะ่ะตั้งร้อยปีมันคล้ายๆเป็นทุกข์ขนาดนั้นนะเนี่ยทำให้คนอื่นคนอื่นยกยุ่ยแยงกับแทงให้รั่วเนี่ยแตกสามัคคีกันเนะน่ะน้าตาพลูหน้าเข้าไปพออาจารย์พบพระรุ่นพี่ที่เห็นพระองนั้นน้ําตาพลูมาองค์นี้ก็ น, น้ําตาพลูมาเพราะเป็นยังเป็นผู้ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยแยังไม่ได้เป็นพระอรหันเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอริยะเนี่ยน้าตาพลูหน้าก็เลย จับมือกันเนี <compart el sound> studies, ils, ่ยทําไมทําไมอาจารย์จึงพูดให้ผมอย่างนี้เนะผมไม่มีเจตนาที climb, ่จะดูถูกอาจารย์เลยผมมีแต่รักเคารพเหมือนกับพี่เหมือนกับพ่อเหมือนกับพี่เออทุกหญิงทุกอย่างผมยินดีทําทุกอย่างแต่ทําไมอาจารย์ถึงพูดให้ผมพูดยังไงพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระทํามก็ถืกพูดพูดว่าท่านอาจารย์พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะผมไม่ได้พูดนะท่านนะ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 นักการเมืองเนี่ยนเมืองไทยของเราเนี่ยนุ่นไปสาบบสาบานต่อหน้าพระแก้วงั้นแต่แต่นี่ไม่พุทธศาสนาเนี่ท่านไม่ให้สาบบกันนะสาบบดสาบานกันปรับอบัติทุกกฎเพราะนั้นพวกพระให้จำเอาไว้นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นขอให้ผมตกนรกอเวจีน่ยไม่ได้นะเออเป็ดปรับอบัติทุกกฎว่างั้นแต่ไม่ถูกนะศีลนั่ยแหละเป็นเครื่องประกันสําหรับพระแต่นี้ พระองค์นั้นก็พูดให้ฟังผมไม่ได้พูดแต่นี่พระเทรซก็บอกว่าผมก็เหมือนกันนะท่านผมไม่ได้พูดให้ท่านเลยนะแต่ทําไมพระองค์นั้นปัญหาเรื่องอย่างนี้โอ้ใช่กรรมหนักแล้วงี้ยพระอนุพระทำมกรถืกองค์นั้นเนี่ยหาเรื่องใส่พวกเราเจแล้วเทเนียวเงี้ยปะ่ะเราไปไล่หนีออกจากวัดเหมือนกันนี่พระสององค์ก็เลยเออรัก เมตตากันอย่างเก่าจึงรู้ได้รู้ได้แบบเขาหาเรื่องใส่นี่ยร้อยปีแล้วงั้นแต่อายุถึงผางกันถึงร้อยปีอย่างนี้จากนั้นก็ไปด้วยกันพอไปไปเห็นพระองค์นั้นก็พระทำ ม, มกถึกเห็นสององค์เข้าไปออกมาต้อนรับมันงั้นแต่เห็นพระเข้าไปพระสององค์นั้นก็บอกท่านท่านไม่มีธรรมในใจท่านไม่มีการสำ่รวมกายวาจา ท่านเป็นผู้ไม่มีศีลหนีออกจากวัดเดี๋ยวนี้เหมือนกันเอออท่านไม่มีธรรมไม่มีศีลมีธรรมหนีออกจากวัดเดี๋ยวนี้เหมือนกันท่านมันหาเรื่องเนี่ยเหมือนกันกว่ า, วาที่จะรู้ได้เนะ่เป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันพระพระธรรมกถึกของค์นั้นก็นจูไม่ได้เหมือนกันหนีออกจากวัดอในเดี๋ยวนั้นแล้วเหมือนกันแต่ขนบริหารหนีไปเลยพอหนีไปแล้วยังไม่แล้วเนี่ยแต่บาปกลัม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 องนั้นแหะพระธรรมมักองค์นั้นไปอยู่ไม่กี่วันไปยุแยงให้พระสององค์ทะเลาะกันเกือบจะไม่เผาผีจีกระดูกกันหนีออกจากกันถึงร้อยปีว่างั้นเถอะร้อยปีจึงเจอกันแล้วจึงได้รู้ว่าพระธรรมรถักรงค์งนั้นเป็นผู้ยุแยงให้พระพวกเราสององค์ทะเลาะกันจึงได้จับเพจได้นั่นแหละแต่กล่าของพระ ทำมักระตืกองค์นั้นไงเมื่อทําไปแล้วก็นั่นแหละได้รับกลัมแสนสาหัสเหมือนกันะตกโรกหมกไหมเสร็จแล้วยังมาเป็นเปรตอีกแต่ไม่รู้ป่านนี้จะพ้นหรือเปล่าเขาไม่รู้นะพ้นจากการเป็นเปรตหรือเปล่าก็าไม่รู้เอทําพวกเราอยากกิโลกันนั่งภาวานาหลับตาดูก็ได้นะแต่ก็ดูตัวเองนะดีกว่านะดูตัวเองให้สํารวจตัว ด, ดูตัวเองว่า ข้าพเจ้าคิดดีพูดดีทำดีหรือยังฮะนั่นแหละอันนั้นดีเลิศประเสริฐกว่าที่จะไปดูคนอื่นเขาถ้าดูคนอื่นแล้วไม่มีที่สิ้นสุดถ้าดูตัวเองนั่นะจะมีที่สิ้นสุดนะยุติได้สิ่งไหนที่มันไม่ดียาทําทําแต่สิ่งที่ดีอะอาะตังลุกตังเสโยประชาตปฏิลุกตังฮยย ะ, ะ, งะในโอวาทปฏิโมกอ ะ, อะ ที่ท่านสอนท่านบอกเอาไว้เพะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้ให้แนวความคิดจะยืดยาวเพื่อให้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราการเป็นอยู่ยชีวิตประจาวันชีวิตในการเป็นนักพรตนักบวชนักพรตนักบวชก็ทกากรรมชั่วได้เหมือนกันนะเห็นไหมพระก็ตกนรกได้นะนรกไม่ได้ยกเว้นพระนะถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีพร้อมที่จะไปสู่นรกได้เหมือนกัน คนนั้นอย่าทำฮะอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำไม่สิ่งที่มันไม่ดีแล้วนะ่ะเออมันจะเดือดอร้อนตนเมื่อภายหลังอวันนี้รับพรพระนุมมทนาให้พรนะที่นี้นะ